ลอยละล่องอยู่นานเดือนโดยยังไม่ยอมหางานทําเนื่องจากเรื่องในใจยังไม่แจ่มใสดีเท่าไหร่นักแต่ว่าการอยู่เฉยๆเที่ยวๆเตะๆหนักเข้าก็ชักละอายใจเกิดเป็นคนโตจนหนวดเต็มปากเต็มคางแล้วยังอาศัยพระอยู่ที่วัดก็รู้สึกว่าจะเลวซามนักส่วนคุณนบนะท่านไม่มีอะไรเลยผมจะอยู่กับท่านจนท่านแก่ท่านก็ยินดีเพราะว่ารักและก็เมตตาผมอยู่อย่างเดิม เพื่อนของคุณนพนั่นเองเป็นคนมาชวนผมไปทำงานด้วยแต่บังเอิญงานในหน้าที่นั้นจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องบังเอิญอีกเช่นกันภาษาอังกฤษของผมเนี่ยงูๆปลาปลาเต็มทนผมจึงต้องหาครูภาษาเป็นพิเศษแล้วก็เรียนรัดและครูคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับคุณนพอีกนั่นเองเป็นผู้ใหญ่ที่จัดเจนทางภาษาดีมากเป็นนักเรียนอังกฤษที่อยู่อังกฤษมานาน แกมีบ้านที่เป็นมรดกของแกที่หลังตลาดยดเศเสก็เลยเปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษในยามค่มโดยมีเพื่อ น, น, นร่วมกันสอนผมเด้เริ่มไปเรียนรัดเป็นพิเศษกับตัวคุณครูพยุงเองทีเดียวครั้นเรียนไปได้สักสามสเดือนก็รู้สึกว่าครูพยุงจะมีธุระอระไรยุง่งๆผมเองก็เลยจะต้องเรียนกับเพื่อนของแกมากกว่าเรียนกับแก พวกนักเรียนอื่นๆก็ชักจะบ่นกันพึมพำว่าการสอนของครูอื่นไม่สนุกเหมือนเรียนกับครูพยุงเพราะว่าครูพยุงเนี่ยมีวิธีการสอนอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็แจ่มแจ้งดีที่สุดที่นักเรียนทุกคนติดการสอนของแกด้วยแกมีวิธีพิเศษมักจะพูดอะไรติดไปในทางตลกขบขันชอบอะไรแปลกๆหรือว่าคำแปลกๆพอเห็นเราไม่เข้าใจก็อธิบายจนเรารู้เข้าปอดไปเลยแกก็มีวิ ญ, ญญาณเป็นครูจริงๆ นักเรียนทุกคนก็เลยบ่นเสียดายครูพยุงเท่าที่แกไม่ได้สอนนั้นไม่ใช่ว่าแกาหายไปไหนความจริงแกก็อยู่ในที่ห้องส่วนตัวของแกนั่นเองก้มหน้าก้มตาทำงานอะไรก็ไม่รู้ผมเคยคิดว่าถ้าครูพยุงหลบการสอนบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะต้องน้อยลงไป เพราะว่าครูเพื่อนๆของแกเนี่ยก็เก่งกันทุกคนแต่ว่าวิธีการสอนมีสเสน่ห์น้อยไปมักจะเอาระเบียบแบบตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกล้อยั่วใจบางทีคิดว่านักเรียนเข้าใจแล้วในตอนตอนนั้นหรือไม่ค่อยจะวกกลับมาอย่างครูพยุง แกก็วนเวียนหลอกดูว่าเรารู้จริงหรือเปล่าเห็นว่ายังรู้อย่างไม่เข้าตับเข้าปอดก็อธิบายจนชัดเจนเพราะไม่ใช่ภาษาอะไรของเราที่จะเข้าตับเข้าปอดได้ง่ายง่ายนั้นยากนักความที่อยากจะดูว่าครูพยุงแกแอบทำงานพิเศษอะไรผมจึงร้องขออนุญาตเข้าไปในห้องส่วนตัวของแก ซึ่งในห้องส่วนตัวของแกนั้นก็มีกระดาษแผ่อยู่ตรงหน้าแกหลายแผ่นตัวแกเองกำลังเพ่งเลงงานนั้นแล้วก็สูบบุหรี่จนควันขโมงไปทั้งห้องแกหันมาทางผมแล้วก็บอกโอ้คุณสมัยเชิญเชิญเชิญเชิญข้างในเลยครับหมู่นี้ยังไงครูก็ต้องขอโทษนะที่ขาดสอนบ่อยๆถ้าครูจะมีงานยุ่งมากเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นงานชนิดที่ผมพอช่วยได้ก็ปรดให้ผมได้ช่วยเลยนะครับผมก็วาดเข้าไปนั่น ความจริงก็ไม่รู้ว่างานอะไรของแกทำอาสาจะช่วยน้ำหน้าอย่างผมนี่จะช่วยแกได้หรือเปล่าก็หารู้ไม่โอ้มันยุ่งเลยคุณสมัยแกว่ามันยังไม่ลงตัวถ้าคุณสมัยยินดีจะช่วยก็พอช่วยได้คือผมเขียนเลขให้หวัดๆแล้วก็โยงไปโยงมาคุณสมัยช่วยคัดลอกให้มันสะอาดหมดจดก็จะเป็นพระคุณนะครับแกพูดแค่นี้แล้วก็พูดอังกฤษล้อเลียนผมซึ่งผมฟังรู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่รู้เรื่องมากกว่าลงฟังออกเพียงกระท้อนกระแท่นก็ไม่ยอมรู้เรื่องสำหรับครูพยุงนั้นแกอยู่อังกฤษไม่นานปีพูดสัมเมียงเป็นอังกฤษไปหมดเลยงานที่แกยุ่งอยู่นั้นเป็นตัวเลขทั้งหมดผมช่วยคัดให้สะอาดเท่านั้นเองโดยไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นหมายถึงอะไรบางแห่งก็เขียนใหม่ตามที่แกสั่งวันไหนหมดเวลาเรียนภาษาแล้วก็เข้าไปช่วยแกทุกคืนมันยังคลาดเคลื่อนอยู่เลยเนี่ยถึงได้พลาดบ่อย แกพูดขึ้นในคืนหนึ่งแต่ว่าบางงวดนี่ก็ได้การเหมือนกันนะสองสามวดก่อนนี่ได้มาหลายหมื่นบาทเลยแต่ว่างวดหลังๆนี่รู้สึกว่าพลาดไปโดนเข้านี่เกือบแสนเลยแกว่าผมสะดึงเฮือกเพิ่งรู้ว่าแกเล่นแทงสลากกินแบ่งนั่นเองโอ้โหแย่หน่อยเสียอะไรกันเกือบแสนเล่นอย่างนี้ขายเนื้อขายตัวจริงอยู่ที่ว่าแกก็แทงถูกมาหลายหมื่นบาทแต่ว่าเวลาแกพลาดสี่โดนเข้าไปก็ร่วมแสนเหมือนกัน ในเรื่องคำนวณทางสลากกินแบ่งของแกนั้นผมไม่กระดิกหูมืดเหมือนเข้าถ้ำผมนี่โง่จริงๆในเรื่องนี้คุณครูต้องแทงทุกงวดเลยเหรอครับโอ้แน่นอนสิต้องทุกงวดไม่ฉะนั้นเนี่ยมันไม่เข้าวงการหมุนเวียนของมันแกอธิบายเราต้องแทงมากๆด้วยแหละครับครูถูกแล้วเราต้องเพิ่มระดับที่เสียไปผมแอบถอนใจโดยที่ไม่ให้แกรู้เพราะว่าการแทงมากๆเนี่ยถ้าผิดมันก็หมายถึงว่าแย่ แม้ทำไมเราจะคิดวิธีสั่งการให้หยุดวงล้อตัวเลขนั้นได้นะครับถ้าทำได้เราก็รวยสิผมพูดไปอย่างสนุกสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องทำไม่ได้เลยเท่าที่พูดนั้นเพียงจะแย้งเล่นให้เกิดแง่คิดว่าถ้าทำอย่างที่ผมพูดไม่ได้เจ้าความหวังจะถูกนั้นมันก็มีน้อยคุณครูพยุงมองตาผมขเขม่งเหมือนแปลกใจหรือสนใจคำพูดเล่นๆของผมที่คุณพูดถึงวิธีนั้นเนี่ยครูก็เห็นจริงว่าดีแน่แน แต่เวลานี้ก็ลองทำแบบคำนวณไปก่อนละกันมันกำลังจะลงตัวอยู่แล้วถ้าวงการจรของมันเข้ากรอบที่เราดักเราก็สบายเลยแกว่าผมตามใจแกช่วยเขียนคัดลอกให้สะอาดตามที่แกเร่งรีบเขียนหวัดลุกลวกเพื่อให้ทันกับหัวคำนวณของแกการแทงสลากของคุณครูเป็นไปได้ทุกงวดผิดแล้วผิดอีกแต่หน้าประหลาดที่งวดหนึ่งเกิดถูกขึ้นมาได้เงินมา 5,000 บาทผมรู้สึกดีใจด้วย มีเสียแรงที่อุตส่าห์แต่กลับเกิดเสียใจในพิธีการของแกถูกมา 5,000 ันบาทน่าจะเก็บเอาไว้บ้างแบ่งแทงตายตามวงการจรบ้างก็จะดีแต่แกกลับแทงเงินจนหมด 5,000 ันบาทนั่นเลยผมเนี่ยตาค้างก็เลยนาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณนพที่วัดฟังคุณนพนิ่งฟังอยู่นานเมื่อทบทวนเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังพอควรแล้วถึงได้พูดว่ามันเป็นอย่างนี้กลายด้วยกันมันก็เป็นวิธีคานวณของฝรั่ง ทั้งเจ๊กทั้งไทยก็นำมาทำกันบ้างหลายแห่งทีเดียวท่านว่าโอ้ยจะแทงทำไมกันครับถูกแล้วกลับแทงอีกจนหมดเงินนั่นน่ะผมร้องอย่างราคาญใจนั่นมันก็เป็นหลักธรรมดาของการแทงแบบคำนวณนะมันก็เป็นแบบการพนันนั่นแหละอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเสี่ยงโชคหรอกคุณนบว่าถ้าเสี่ยงโชคจริงๆจะต้องไปคานวณทาไมล่ะแทงไปมันก็ถูกเองไม่ถูกก็กิกนไป การแทงอย่างการพนันเนี่ยก็ต้องแทงแบบเขาเรียกว่าทับทวีคำนวณได้แล้วก็แทงไปถ้าผิดก็แทงใหม่ตามวงจรของมันก็ต้องเพิ่มเงินตามคิดคำนวณเสียไปที่ต้องคำนวณให้ดีเสียไปเท่าไหร่จะต้องทับทวี e ให้พอกันพอเลขสลากมันเข้าสู่วงการจรเมื่อไร่เมื่อนั้นก็ถูกอย่างงามถอนทุนที่เสียไปกลับคืนมาหมดเรื่องคำนวณนี่มันจะแน่นอนเสมอไปไหมครับท่านผมถาม มันเป็นเรื่องเข้าวงล้อกลมๆจะเอาแน่อะไรได้ล่ะถ้าจะคํานวณคิดตามโดยที่ไม่ทิ้งแล้วก็ทําตามระเบียบเดิมอยู่ก็ต้องท่องถูกบ้างเลยนะโอ้โหมันแย่นะครับเนี่ยเกี่ยวแก่ทุนที่จะตามมาถ้าไม่มีทุนจะตามก็หมดตัวกันผมว่า <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละท่านพูดแล้วก็หวัวเราะไม่ไว้อ่ะรู้สึกว่าจะก้มหน้าก้มตาเป็นขี้ฆ่าการทนันก้มหน้าทําเงินป้อนมันไปทําไมผมพูดแล้วก็ถอนใจปลงอนิจจัง ยากนักสมัยเอ้ยคนเราถ้าลงถลมลึกกว่าจะถอนตัวได้ก็สะบักสะบอมเรื่องนี้ใครจะเตือนใครไม่เกิดผลหรอกฉันเองก็ชอบพอกันกับเขาก็พอดูแต่ก็ไม่กล้าจะไปเตือนน้ำมันกําลังเชี่ยวถ้าขวางเรือก็ล่มถ้าไม่ล่มก็หนักแรงๆถ้าครูแกหาทุนไปทำอย่างอื่นก็จะดีกว่านะครับเอ่วก็นั่นนะสิแต่เธออย่าไปขัดเขานะมันเป็นเรื่องของเขาไม่มีใครจะไปหยุดคนเมาได้แล้วคนเมาก็จะไม่รับรู้ว่าตัวเองเมา ในเวลาต่อมาผมก็ช่วยในกิจการของครูพยุงเรื่อยมาเมื่อหมดเวลาเรียนแล้วบางคืนก็นอนค้างกับครูเลยครูพยุงแกมีวิธีเอาใจผมดีมากคือแกพูดภาษาอังกฤษกับผมแทนภาษาไทยเลยเพื่อให้ผมได้ประโยชน์แต่มันแย่น่อยตรงที่ว่าผมก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่คิดซะว่าเราอยู่กับตัวฝรั่งเองแล้วคงจะรู้ไปเองในวันต่อไปเมื่อคุ้นหูคุ้นสำเนียงเข้า นับเป็นการตอบแทนที่ดีของคุณครูผมช่วยครูครูก็ช่วยผมเป็นเรื่องของการช่วยแรงไม่เกี่ยวกับการเงินการคํานวณของแกคงผลัดได้ผลัดเสียอยู่เรื่อยมาแต่ว่าหนักไปทางเสียซะส่วนใหญ่ถึงกับตัวแกเองก็ต้องโครงหัวอยู่บ่อยๆแล้วต่อมาก็รู้สึกว่าแกไม่ค่อยเบิกบานหน้าตาไม่ค่อยสบายอยู่เสมอดูยิ่งมุยิ่งฮึดใหญ่แอบนั่งคนเดียวในห้องคงจะหาวิธีคานวณให้ดีกว่าเดิมนี่คุณสมัย ครูกำลังหาวิธีใหม่อยู่แกพบผมวันหนึ่งไม่เลิกการเรียนแล้วผมมองหน้าคุณครูแล้วก็นิ่งเฉยไม่กล้าจะถามว่าแกได้วิธีใหม่มาแบบไหนหรือวิธีใหม่แบบใดครูสนใจในคำพูดของคุณสมัยในครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าถ้าเรามีวิชาสั่งกลงล้อตัวเลขสลากเนี่ยให้มันหยุดตามเลขที่เราแทงไว้ได้เราก็จะสะสมผลทุกคราวคานี้แหละครูนี่เอาไปตรวจ ด, ดูเออมันเข้าท่าดีอา้าวแกพูดไปนั่น ผมถึงกับสะอึกเลยนะครับเอาละสิเจ้าคาพูดบา้บาๆบอๆเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นครูพยุงแกก็เก็บเอาไปคิดถ้ามันจะไปกันใหญ่ซะแล้วอา่าคุณครูจะทํายังไงล่ะครับจะสั่งหยุดกองล้อนั้นได้เอา้าก็ใครล่ะจะมีอํานาจหยุดกองล้อนั้นได้ครูพยุงยื่นหน้าจนชิดผมเมื่อถามออกมาอย่างเป็นปัญหาผมก็นั่งฟังครูพยุงอย่างงงๆผมไม่เข้าใจอ่ะครับอดรนทนไม่ได้ก็พูดออกไป รูพรยุงหัวเราะครูได้พบคนที่จะสั่งหยุดกองลอ้อนั้นได้แล้วแกพูดแล้วก็จุดบุหรี่สุผมถึงกับปวนปั่นสมองคุณครูจะคิดทุดจริตหรือคิดจะติดสินบนคนหมุนกงลอ้อหรือเปล่าแต่มันจะเป็นไฟฟ้ามันไม่มีทางอะไรคงนั่งฟังแกนิ่งอยู่ต่อไปแกฉุดมือให้ผมนั่งลักตัวแกก็เดินไปเปิดประตูหยิบสุราแล้วก็โซดามาจากตู้จัดการเปิดผสมเพื่อตัวแกแล้วก็ผม ต่างดื่มเข้าไปจนหมดแก้วแล้วคุณครูก็เริ่มชี้แจงโครงการคือโครงการของครูเนี่ยมันมีแบบนี้นะแกหยุดพูดนิดนึงพร้อมกับชี้มือมาที่ผมคุณสมัยเนี่ยจะต้องร่วมโครงการกับครูคือว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้คนที่ทำพิธีนั้นเนี่ยก็คือคนที่จะทาพิธีแทงสลากเองไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นแทงแล้วก็นามาให้ครูทาพิธี แต่ว่าผู้ที่ถือสลากนี่จะต้องมีสัด จ, จะนะว่าจะแทงคราวละไม่มากกว่าสองใบแกหยุดพูดและผสมเล่าอีกผมก็คอยฟังโครงการของแกคุณสมัยต่อไปนี้เนี่ยเราจะช่วยคนยากจนแล้วนะแกพูดผมลืมตาโพลงสมมุติว่าคุณสมัยซื้อสลากมานะแล้วก็เอามาทำพิธี ครั้นถึงวันออกสลากคุณก็ไปกับครูครูจะเอาใบสลากมาถือไว้เพื่อที่จะดูตัวเลขของเราแล้วครูก็จะสั่งหยุดกงล้อ น, นั้นให้ตรงกับเลขของเราทำแบบนี้ไปจนครบตัวเลขของเราเมื่อถูกแล้วคุณสมัยจะต้องไปขึ้นเงินสมมุติว่าได้มาสอง0 0 0บาทคุณสมัยจะต้องอนามาสัมนาครูเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใจศรัทธาแต่ว่าการแทงนี่ต้องมีสัจจะนะเอาเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่การจะถูกรางวัลที่เท่าไหร่นั้นเนี่ยครูจะกําหนดเองไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเอาที่หนึ่งสเส้วยไปแกอธิบายยืดยาวฟังแล้วก็ชุ่มชื่นใจน่าจะร่ำํำรวยแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ผมนิ่งฟังเฉยไม่ยอมขัดแกเอากันว่าเราช่วยพวกเราที่ยากจนนั่นแหละคุณสมัยเห็นใครเพื่อนๆคนไหนที่ยากจนก็ไปบอกนะมันเป็นความลับว่าครูเนี่ยจะทําพิธีให้แล้วก็ บอกเขาด้วยว่าครูเนี่ยแทงเองไม่ได้จะต้องมีการสมน า, าคุณกันตามระเบียบข้อสำคัญต้องเป็นเรื่องลับเราช่วยเฉพาะคนจนเท่านั้นเขามีเงินแล้วเราไม่เอาด้วยแกหยุดพูดแล้วหัวเราะพลางดื่มเหล้าผมฟังแกพูดไปก็ชักเคลิ้มเคลิมเผลอเผเป็นโครงการเรื่องการบุญอยู่อย่างมากแต่มันเป็นเรื่องฝันผมแอบถอนใจเบาๆไม่ให้ครูแกรู้เอาละวันนี้รู้แค่นี้ก่อนพอครูทาพิธีแล้วจะบอกให้รู้แล้วก็ลงมือกันเลย เอาหลักคุณสมัยคุณก็มีฐานะร่วมงานกันแล้วครูจะบอกความลับให้นะเรื่องที่เราทํากันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับปีศาจเท่านั้นถึงจะสําเร็จแก่พูดพ่อผมได้ยินคําว่าปีศาจเท่านั้นแหละผมถึงกับสะดุ้งเหือกมองตาแก่เพื่อจะดูว่าแกพูดเล่นหรือพูดจริงต้องเกี่ยวกับผีด้วยหรอครับผมถามด้วยความกลุ่มใจอ่ะใช่น่ะสิครูจัดการทําการอัญเชิญมา 2- อสาคืนแล้วนะแกว่าผมถึงกับเหงื่อซึมออกมาเป็นเม็ด อันนี้จังมนุษย์หนอมนุษย์ผมนี่มันอย่างไรกันหนอไม่พ้นผีเริ่มต้นเที่ยวกับคุณนบเมื่อท่านยังไม่บวชก็โดนผีตายท้องกลมต่อมาก็โดนอีกเต็มรักเข้าไปอยู่กับผีทั้งก๊กเลยพอพ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวบางบานกับนายมัน่นก็โดนเข้าที่นั่นอีกวิ่งกันแทบอกแตกสุดท้ายก็มาโดนเข้าที่ทุ่งนครหลวงอีกเจ้าประคุณเอ้ยนี่จะมาโดนเข้าอีกแล้วครูทางภาษาอังกฤษนี่เล่นผีอีกแล้วเวนเวนเวนอะไรของผม อย่ากลัวเลยนะแกว่าแล้วก็เอามือตบไหลผมครูอยู่ที่อังกฤษเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าโลกนี้มีผีอยู่จริงแต่ว่าตอนท้ายชาวอังกฤษบางคนนะเขาชวนเล่นเชนิญผีก็เลยเกิดเข้าพบเข้าจริงๆไงครูก็เลยรู้ว่าสิ่งเล้นลับเนี่ยมันมีจริงมันก็เป็นทำนองว่าวิญญาณของคนเรายังไม่ได้ไปเกิดนี่แหละก็ยังลอยร่อนอยู่ถ้าเรียกให้ถูกนะก็สามารถนามาใช้งานแล้วก็ทาให้เราเชื่อมั่นได้ เรื่องของผีๆ ส, สางๆนี่ผมเชื่อเพราะว่าโดนมาอย่างถนัดใจอยู่กันเลยกับผีทั้งเคยเป็นสามีของผีมาแล้วแต่ผีคนอื่นผมกลัวเว้นแต่ผีของมารียอดรักของผมเท่านั้นที่ผมไม่กลัวยังรักแล้วก็ครวญหาอยู่ทุกวันผมกลับมาวัดก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณนบฟังเอจะไปกันใหญ่แล้วนะคุณนบพูดออกมาเอครูพยุงเข้าใจผิดผีน่ะจะไม่ยอมทาอะไรให้กับใครในสิ่งที่ไม่เห็นเป็นประโยชน์ แต่ว่าผีบางรายอาจจะช่วยได้บ้างกระมังผมว่าเพราะว่าเคยพบมาแล้วที่ผมหลงอยู่ร่วมกับผีผีสำแดงเดชช่วยอะไรอะไรได้สำหรับคนที่เขารักฉันก็เชื่อว่าเขาไม่ช่วยถ้าเขาจะช่วยให้มนุษย์เกิดความโลภต่อไปก็จะพากันไปกวนวิญญาณเขาไม่ยอมหยุดยอมหย่อนเคยพบผีพ่อแม่มาบอกหวยบอกเบอร์เรบ้างหรือเปล่าล่ะผีเนี่ยจะบอกให้นะว่าเขาเป็นผู้ที่รักสงบในทางของเขา ส่วนมนุษย์เนี่ยมีเรื่องอะไรก็ช่วยตัวเองไปสิทำไมจะต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวถามจริงๆเถอะมนุษย์เราเนี่ยเคยช่วยอะไรผีบ้างไหมเขาก็อยู่อย่างสบายของเขาแล้วเราก็ตามไปกวนไปดังแกเขาอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยเนาะมนุษย์เราเนี่ยแม้แต่ทำบุญตักบาตรถึงจะหวังไปให้ผีกินตัวเองก็ยังตั้งใจอยู่ว่ากุศล น, นั้นเนี่ยจะต้องส่งตัวไปถึงสวรรค์มนุษย์หนอมนุษย์ คุณนพได้แต่พูดอย่างตำหนิคนใช้ฝีมืออย่างไม่ไว้เนื้อเยื่อใหญ่เลยถือเอาเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าท่านจะไปเทศนาให้ครูพยุงฟังบ้างก็คงจะดีนะครับผมออกความเห็นยากท่านร้องแล้วก็ถอนใจไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่กำลังพุ่งปราดเหมือนน้ำเชี่ยวหรอกถ้าเขาเกรงใจเราเขาก็จะรับปากพอไปทีแต่ใจเขานส่สิจะให้ตามเราเนี่ยอืมไม่ได้เรื่องหรอก การเตือนใครสอนใครถ้าเขาไม่รับฟังเราก็เปลืองหัวใจเราเองพระพุทธเจ้ายังไม่สอนคนทั่วๆไปเลยทั้งทั้งที่ท่านก็มีความสำคัญอยู่อย่างที่สุดดีไม่ดีคล้ายหลงตัวเองว่าดีกว่าใครๆจึงเที่ยวสอนเขาอีกสองวันต่อมาครูพยุงได้บอกกับผมว่าการอัญเชิญผีนั้นเรียบร้อยลงแล้วให้ผมเอาเงินของผมไปซื้อสลากกินแบ่งมาเถิดผมก็ทาตามที่ครูบอก พอถึงวันที่จะออกสลากครูพยุงกับผมก็ไปทํากันที่กองสลากซึ่งในชีวิตผมก็เคยเป็นครั้งแรกที่เหยียบย่างเข้าไปที่นี่มีผู้คนคึกคักมากล้วนแต่มีผู้ที่สนใจทั้งนั้นพอเราเลือกที่นั่งได้ดีแล้วครูพยุงก็ได้เอาใบสลากออกมาถือแล้วก็กระทําตนเป็นพรามเท่าเข้าพิธีนั่งเขมงทางจิตเพ่งตัวเลขในแผ่นสลากที่ถือนั่งตัวตรงไม่วอกแวกคอยบังคับให้กงล้อนั้นหยุดตามที่สั่ง แต่แล้วแกก็กลับมีสีหน้าขมุนขมัวเพราะว่ากงล้อนั้นไม่หยุดตามที่สั่งและเลขก็ไม่ตรงกับสลากในมือของแกจนแล้วจนรอดแกถอนใจอย่างแรงเป็นลมหายใจที่หมดหวังยังพลาดแกร้องเบาๆครั้นแล้วก็พากันกลับออกมานั่งที่สโมสรดื่มเหล้าอย่างครืมครมไม่เป็นได้คืนนี้เอาใหม่บางทีนะ่าทำมแล้วอาจจะมีผิดวิธีบ้างแกว่า ในคืนนั้นพ อ, อนักเรียนกลับกันหมดแล้วทั้งครูอื่นๆก็กลับแล้วครูพยุงชวนให้ผมอยู่ทำพิธีด้วยกันขั้นแรกก็คิดจะขอตัวอยู่แล้วแต่ว่าเกิดโรคเกรงใจมีประจำตัวของผมอยู่ก็เลยรับปากแกไปได้ง่ายๆแกชวนเข้าไปในห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเฉพาะในห้องนั้นมีโต๊ะที่วางข้าวปลาอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ดอกไม้ทูบเทียนครบพร้อมคงจะเป็นคนใช้จัดไว้ให้ ครูพยุงจัดแจงรินเหล้าใส่แก้วแล้วก็วางไว้บนแท่นบูชาจัดการจุดทูบเทียนพอเรียบร้อยแล้วก็ปิดสวิตไฟที่เพดานในห้องก็มืดมีแสงสว่างเพียงเทียนดวงเดียวแต่ก็มีแสงสว่างแน่นอนดีเพราะว่าไม่มีลมพัดมาจากทางไหนได้โดยห้องเล็กๆนั้นเป็นห้องที่จำกัดเรือนไฟดวงเทียนจึงตั้งตรงไม่วุบวาบครูพยุงเข้าที่สมาธิบนอะไรพึมพำอยู่บ้างนานแสนนาน ส่วนผมนั้นก็ไม่รู้เรื่องด้วยก็ชักจะง่วงเพราะไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยนั่งเงียบเงียบก็ชักจะซึมแล้วก็เผลอๆไปครู่เดียวนั้นเองเทียนที่เผาตัวไหมก็ยังไม่ทันจะครึ่งเล่มก็เกิดดับพรึบลงไปเฉยๆถ้าจะเป็นห้องกว้างคงจะน่ากลัวแต่บังเอิญว่าเป็นห้องเล็กๆและหน้าต่างก็ปิดหมดเราอยู่ในความมืดแต่ได้ยินเสียงไหวตัวเห็นจะเป็นครูพยุงขยับตัวไปหาไม่ขีดไฟ ผมก็ยังคงนั่งอยู่เฉยๆไม่อยากกระดิกตัวเพราะว่าความง่วงนอนความรู้สึกว่ามันเกิดเมฆหมอกขึ้นในห้องนั้นทั้งๆ ท, ที่อากาศมืดก็ยังเห็นกลุ่มเมฆหมอกได้ถนัดความรู้สึกว่าตัวผมกับครูพยุงกําลังอยู่ในกลุ่มหมอกและหมอกนั้นก็ค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นจนตัวของเราทั้งสองเห็นได้ถนัดชัดเจนผมเห็นครูพยุงแกนั่งงงๆเป็นอาการตกใจเช่นเดียวกับผมแต่ทั้งครูพยุงแล้วก็ผมตกใจอ ย, อย่างไร ก็จำเป็นต้องนิ่งเพราะมีใครอีกคนเป็นชายหน้าตาดุดุกววักมือเรียกเราทั้งสองให้ลุกขึ้นทั้งผมและครูพยุงลุกขึ้นอย่างว่าง่ายเหมือนถูกอํานาจบังคับพอเรายืนแล้วชายคนนั้นได้โบกมือให้เราเดินต่อไปเราทั้งสองเหมือนไม่มีหัวใจเดินตามที่เขาสั่งให้ไปอย่างช้าๆหนทางที่เขาให้เดินไปนั้นมองด้วยตาแม้จะกล่ากลุ่นอยู่ในหมอกก็เห็นได้ว่าเป็นหนทางที่มีหินผาเป็นตรอกเป็นซอก เราไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปตามคำบัญชาของนายคนนั้นแค่ไหนและที่ใดเราเดินไปเรื่อยๆหมอกนั้นก็ค่อยๆจางลงแต่ว่าอากาศยังคงทึบไม่แจ่มแจ้งและในที่สุดเราก็ได้เดินมาสู่ที่แจ้งและเป็นที่ราบโลนปราจากก้อนหินแล้วก็ต้นไม้มันเป็นที่ราบจริงๆเห็นแล้วรู้สึกวังเวงใจมันเป็นที่ไหนกันเนี่ยหินแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่มีสักที่ ช่างโลนเลี่ยนไปสุดขอบฟ้าของเราจะต้องเดินไปสุดแค่ไหนและเมื่อไหร่จะถึงที่ที่ตามบัญชาไว้ในขณะนั้นหูเราก็แว่วได้ยินเสียงดนตรีแต่ไม่ทราบว่าเป็นดนตรีอะไรซึ่งมันก็เป็นเพลงเศร้าฟังแล้วก็ใจหายและพร้อมกันนั้นก็มีฝีเท้าคนหมู่มากเสียงดังอึกทึกคึกโครมเหมือนวิ่งแข่งกันมายัางทางใดทางหนึ่งมันเป็นเสียงฝีเท้าที่ดังไม่เป็นระเบียบจะคล้ายวิ่งจะคล้ายเซซวนอะไรอย่างนั้น พร้อมกับมีเสียงร้องโอดโอยเจ็บปวดปนมากับเสียงฝีเท้าและเสียงดนตรีชั่วครู่นั้นเจ้าของเสียงจึงค่อยๆโผล่ท่อนบนตอนศีรษะพ้นขอบแผ่นดินล้นนั้นมาทีละน้อยจนกระทั่งเต็มตัวมันเป็นหมู่คนที่แต่งกายเลวที่สุดเกือบไม่มีอะไรจะพันกายที่มีอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยพอปกปิดสิ่งที่น่าอุจารตาเท่านั้น คนเหล่านี้มีทั้งหญิงทั้งชายเดินกันมาอย่างเร่งรีบล้มลุกคลุ ก, ลกคลานตลอดทางโดยถูกผู้คุมที่ตามมาบังคับให้รีบไปผู้คุมจำนวนมากนั้นขาดความปราณีถือหอกใหญ่แล้วก็มีแส้หนังหัวตีตามมาถ้าผู้ใดชักช้าผู้ที่ถูกตีทั้งหญิงชายก็จะร้องเจ็บปวดระงมสมซารขบวนนี้ได้ผ่านหน้าเราไป ครูพยุงผงะสะดุ้งและชะโงกตัวไปดูภาพของใครคนหนึ่งแล้วร้องโวยวายอย่างตกใจและเสียใจภาพนั้นเป็นภาพของชายชราแต่จะเป็นใครและเป็นอะไรกับครูพยุงผมไม่ทราบชายคนนั้นหันมาพบครูพยุงและผมก็โบกมือขอให้ร้องให้ช่วยผู้คุมร่างยักษ์ได้ผลักให้เดินแล้วก็เอาแส้หนังกระหนำ่ำครูพยุงโดดออกจากที่จะเข้าคว้าตัวเจ้าผู้คุมตัวใหญ่นั้นด้วยความโท่สะ แต่คนที่นำเราไปได้ยกมือกั้นหน้าอกครูพยุงไว้ครูพยุงดิ้นรนและร้องไห้ผมใจหายผู้นำทางของเราได้โบกมือให้เราทั้งสองเดินตามไปเราก็ตามกองมนุษย์ที่แสนทรมานนั้นไปอย่างเต็มใจเหมือนอยากจะตามไปหาโอกาสช่วยข้างหน้านั้นคล้ายจะมีหลุมเพลิงที่ใหญ่กว้างขวางอยู่และในว่ากลุ่มคนโทษเหล่านี้จะต้องตะลุยข้ามหลุมเพลิงนั้นไป จึงมีการเรรวนกันเป็นขนาดใหญ่ต้องมีการเคี้ยนตีกันที่ใกล้หลุมเพิงอย่างรุนแรงเสียงร้องขอชีวิตของชุมชนหมู่นั้นโหยหวนครูพยุงร้องด่าอย่างพลุ่งพล่านจะผลุนเข้าไปกลุ่มนั้นเพื่อช่วยเหลือผมเองแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับใครในหมู่นั้นแต่ภาพที่ตําตาอยู่ทำให้ผมทนไม่ไหวผมก็จะผลุนผลันโดดเข้าไปเช่นกันไอ้ผู้คุมร่างยักนั้นมึงจะใหญ่แสนใหญ่กูจะทะลวงมึงให้รู้ริด แต่มันประหลาดยิ่งที่ผู้นำของเราร่างกายก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักเพียงแต่ใช้แขนกัน้นเราสองคนอยู่ได้อย่างเด็ดขาดเราได้ดิ้นรนและจะเข้าไปประหัดประหารกับมันให้ได้มึงก็มีเนื้อหนังมังสาอย่างกูมึงจะไม่รู้จักเจ็บบ้างก็ให้มันรู้ไปกูสู้มึงไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปผมคำรามและตัวเต้นเร่าๆยุดผู้นำทางของเราร้องดังและยกมือขึ้น ท่านผู้ไม่รู้จักผิดและรู้จักถูกเราจะพูดให้ท่านฟังทั้งจะขอถามว่าผู้ที่ท่านเห็นถูกทรมานอยู่นั้นท่านจะช่วยเขาได้หรือเปล่าทั้งๆ ท, ที่เห็นเขากำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสปล่อยแล้วสิเราจะตะ บ, บันมันให้รู้นิดไปผมตะโกนลัน่นผู้นำทางของเราหัวเราะ อ, อย่างดูดุแล้วพูดอย่างหน้าตาขึงขังฮฮฮพวกเห็นแก่ตัว เห็นแล้วไหมว่าเขากำลังเดือดร้อนแต่ท่านสิกลับขอร้องให้เข้ามาช่วยไอ้เรื่องการพนันของตัวผู้นำคนนั้นเมื่อพูดจบแล้วก็หันหน้าใส่ครูพยุงตัวของเขาเองก็กำลังช่วยตัวเองไม่ได้แต่จะมาช่วยท่านกระนั้นหรือไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องมีความโลภล้นหัวใจเอาสิถ้าว่ามีความเดือดร้อนที่จำเป็นจริงๆถึงชายคนนั้นจะช่วยไม่ได้เราหรือใครอื่นก็ยังช่วย แต่เรื่องการพนันนะ่ะอย่าทำอีกต่อไปทุกคำที่คนคนนั้นพูดเราทั้งสองนี่เงียบงันไปตอบโต้เขาไม่ได้เลยไม่มีเหตุผลใดที่จะลบล้างคำของเขาก็เลยยืนนิ่งงันและทันใดผู้นั้นก็ได้ยื่นหน้าที่ดุดันเสยะปากเข้ามาจนชิดแล้วก็พูดเน้นเสียงแน่เราจะบอกให้อย่าคิดโลภอะไรอยู่เลยบ้านนี้นะ่ะบ้านที่คุ้มหัวอยู่ทุกวันนี้นะ่ะจงรู้ไว้ พระเพลิงจะเผาผลาญเตียนมัวแต่โลภ ก, การเสียะปากและหน้าที่ดุดันนั้นเรารู้สึกกลัวหน้านั้นเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเราทั้งสองตกใจจนสิ้นสติลงไปณนะบัดนั้นอะไรอะไรทุกสิ่งมันวูบและดับลงผมกับครูพยุงจะนั่งอยู่ที่เครื่องบูชานา น, านแค่ไหนก็ไม่ทราบได้มารู้ตัวอีกทีไม่ได้ยินเสียงครูพยุงร้องไห้แล้วก็ฟุบหน้าอยู่กับโต๊ะไฟฟ้าที่เพดานห้องดับไปเมื่อตอนแรก บัดนี้มันก็สว่างอยู่อย่างเดิมแต่ว่าดวงเทียนที่จุดไว้นั้นได้กินตัวเองไปจนหมดสิน้นแสดงว่าไม่มีใครมาเป่าให้ดับไปอย่างที่เราเห็นตอนแรกผมรีบลุกไปปลอบใจครูพยุงแต่ครูพยุงยังคงนั่งงงอยู่และผมเองก็ยังเห็นภาพต่างๆติดตาอยู่เช่นกันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เราทั้งสองโดดเข้าไปร่วมอยู่กับเขาในแผ่นดินล้นเตียนจดขอบฟ้า แต่ความโลนเลี้ยนนั้นไม่มีพืชหรือธัญญาหารใดๆจะเลี้ยงตัวได้แม้แต่น้ําหยดเดียวและผู้ที่ต้องโทษนั้นจะต้องสู่ความทรมานและเดินทางไปไกลแสนไกลแค่ไหนก็สุดจะรู้ในที่สุดผมก็ได้ช่วยพยุงครูพยุงให้ลุกขึ้นแล้วก็จูงออกจากห้องนั้นซึ่งครูพยุงมีอาการกระปกกระเบี้ยเศร้าโศกเป็นอย่างมากชายแก่ที่ครูพยุงเห็นนั้นจะเป็นใครและเป็นอะไรกับครูพยุง ครูพยุงล้มลงนอนคว่ำที่เตียงนอนฟุบหน้าลงกับหมอนร้องไห้อีกครั้งเรื่องอย่างนี้ต้องปล่อยไปตามสมัครใจก่อนการร้องไห้อาจจะคลายอารมณ์ลงได้บ้างการปลุกปลอบคนที่กระเทือนใจอย่างหนักนั้นย่อมทำไม่ได้อย่างรวดเร็วกระทนหันนักผมล้มตัวลงนอนที่เตียงนอนหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจอย่างแรงนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ยังคงจับแน่นในห้วงความคิด เราทั้งสองนอนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบมารู้ตัวเอาก็คือเมื่อตอนสายมากคล้ายกับมันอ่อนเคลียรหัวใจอย่างไรพี่กนผมลาจากครูพยุงกลับมาวัดแล้วก็รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดทุกตอนทุกคําพูดที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังให้คุณนบฟังคุณนบฟังอย่างตื่นเต้นแล้วก็นิ่งคขึ้นอยู่สักครู่นั่นคือถึงคราวที่ครูพยุงจะต้องหยุดการพานันแล้วละ่ะคุณนบว่าคนชราที่เห็นในภาพนิมิตนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบิดาของครูพยุงก็ได้ และครูพยุงก็หลงตั้งพิธีเรียกวิญญาณบีดาให้มาช่วยในการพนันที่สมใจจะเอาชนะแต่มีใครคนหนึ่งอาจจะเป็นผีบ้านหรือเจ้าของที่ก็ได้มาทำนิมิตให้เห็นเหตุการณ์เพื่อให้เลิกพิธีนั่นซะแต่เรื่องที่น่ากลัวและน่าคิดว่าคนคนนั้นพูดว่าบ้านที่อยู่นั้นเนี่ยจะถูกเพลิงไหมนี่แหละครูพยุงจะโดนกรรมซ้ำสอง ฉันก็ชักสงสารแล้วก็เป็นห่วงเห็นทีจะต้องหาเวลาไปเยี่ยมพยุงที่โรงเรียนสทัทีเรื่องของพระเพลิงเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ก็น่าคิดแล้วก็ระวังหรือคิดขยับขยายซะก่อนนะมิฉะนั้นอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวคุณนพพูดในตอนท้ายทุกวันนี้ผมยังคงไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็คอยระวังเสียงฟืนเสียงฟายอยู่ทุกเวลาแล้วก็เตือนครูพยุงให้นึกถึงคําพูดของคนคนนั้นที่ว่าจะเกิดเพลิง ครูพยุงก็รับปากว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะหาทางขยับขยายเรื่องทั้งหลายที่ผมมาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็หลังจากเวลานั้นมานานแล้วและก็เป็นหลังจากไฟได้เผาผลาญหมู่บ้านหลังตลาดยศเสไปแล้วและบัดนี้ตัวตลาดยศเสก็กลายเป็นโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่โตที่สุด